พระบัญญัติ79ก็ภิกษุใดบอกอาบัดช่วยยาบของภิกษุแก่อนนปปสัมบันต้องอวบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติเรื่องพระอุปนันะสักยบุตรจบ